โอวาทข้อที่สวิธีสร้างความดี ท่านหนึ่งแท้จือท่านบิดารับราชการอยู่ในกรมราชทันอยู่มาวันหนึ่งมีนักโทษประหารคนหนึ่งซึ่งถูกปรักปรมโดยไม่ได้ทำผิดอันใดเลยท่านบิดาสงสารมากจึงปลอบใจนักโทษว่าอย่าเป็นทุกข์ไปเลยจะช่วยเหลือนักโทษจึงปรับทุกข์กับพัญญาว่าเราทราบซึ่งในบุญคุณอันนี้ยิ่งนักแต่น่าละอายใจที่เรายากจนมาก ไม่มีสิ่งของอันใดที่จะนำมาตอบแทนพระคุณท่านก็เห็นมีแต่เจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้พรุ่งนี้เมื่อท่านไปทำการสอบสวนที่บ้านเจ้าจงบอกกับท่านตามตรงว่าเราขอยกเจ้าให้เป็นพัญญาของท่านนางไม่อยากทำเช่นนี้ก็ได้แต่ร้องไห้พลางรับปากไปพลางด้วยความเศร้าสลดใจยิ่งแต่การกลับผิดคาด ท่านบิดาของท่านแทบจะไม่ยอมรับและช่วยเหลือจนสาเร็จเมื่อออกจากที่คุมขังแล้วสองสา ม, มีพันยา ก, ก็เดินทางมาขอบพระคุณท่านและพูดว่าคุณธรรมของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้นหายากยิ่งแล้วในโลกนี้หากข้าพเจ้าไม่สามารถตอบแทนพระคุณของท่านสิบ้างคงจะไม่สบายใจไปตลอดชาติจึงใคร่ขอยกลูกสาวให้เป็นทานช่วงช้ ขอท่านอย่าได้ปฏิเสธเลยท่านบิดาของท่านจือก็รับไว้แต่ไม่ได้ให้เป็นทาสรับใช้ทําวิธีแต่งงานกันตามประเพณีนิยมต่อมาจึงได้ให้กําเนิดท่านแซจือพออายุได้20ปีท่านแซจือก็สอบไล่ได้เป็นขุนนางในกรมประวัติศาสตร์ต่อมาลูกหลานก็ได้เป็นขุนนางกันทั้งนั้นที่พอเรามาให้ฟังทั้งหมดเนี้ มีอยู่สิบเรื่องด้วยกันแม่เรื่องราวจะแตกต่างกันล้วนเป็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งสิน้นแต่ถ้าจะอธิบายให้ละเอียดลึกซึ้งกว่านี้<ม>ก็ยังจะต้องพิจารณาว่าการทำความดีนั้นดีจริงหรือดีปลอมบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจทำแล้วมีคนรู้เห็นหรือไม่มีคนรู้เห็นทำถูกหรือทำผิดทาด้วยความสุจริต หรือทุจริตทำครึ่งๆกลางๆหรือทำอย่างสมบูรณ์ทำใหญ่หรือทำเล็กทำยากหรือทำง่ายทั้งหมดนี้จะต้องใครครวนให้ท่องแท้หากกระทำความดีโดยไม่อาศัยเหตุผลแล้วไซความดีนั่นอาจจะให้ผลร้ายเป็นบาปไปก็ได้เป็นการสูญเปล่าไม่ได้ประโยชน์อันใดเลยทีนี้พอจะมาพูดให้ฟังทีละข้อ ข้อแรกการทำความดีนั้นทำแล้วดีจริงหรือไม่ในสมัยรัชวงศ์หยวน ค, คร 1, 1ิสตศักราช 1,271 ถึง 1,368 มีพระเทรรารูปหนึ่งมีนามว่าท่านจงฟงห้องเตนในสมัยนั้นได้สถาปนาท่านเป็นถึงสังฆราชมีท่านมีคุณธรรมล้ำเลิศมีคนไปนมัสการท่านมากมาย อยู่มาวันหนึ่งมีพวกนักศึกษาลัทธิคงชื่อได้พากันไปนมัสการท่านกราบถามท่านถึงปัญหาหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั่นเน้นหนักในเรื่องกฎแห่งกรรมใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดุดเงาตามตัวแต่บัด น, นี้ปรากฏว่าบางคนทำความดีแต่ลูกหลานไม่เจริญรุ่งเรืองส่วนคนที่ทำชั่วนั้นเล่ากลับได้ดีมีหน้ามีตา เช่นนี้แล้วจะเชื่อคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรกันพระเถระจงฟงกล่าวตอบว่าหากเราจะมินิฉัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าใช้ทัศนคของชาวโลกก็จะมินิฉัยได้แง่มุมในทางโลกถ้าใช้ทัศน์ทางพุทธธรรมก็จะมินิชัยได้แง่มุมในทา ง, าทาทางท ธ, ธรร ม, ม, ม, ม, รมอันบุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้แจ่มแจ้งเท่า เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยในทัศนะทางโลกจึงไม่อาจถูกต้องเสมอไปบางทีคนดีก็มองไปว่าเป็นคนไม่ดีส่วนคนไม่ดีก็มองเห็นว่าเป็นคนดีไปก็มีชาวโลกจึงมักจะไม่สำรวจตนเองเอาแต่โทษฟ้าดินลำเอียงแล้วท่านก็ให้พวกนักศึกษาลัทธิของจือลองยกตัวอย่างที่พวกเขาเห็นว่าดีและไม่ดีออกมา จะได้เข้าใจความหมายของความดีทองแท้ขึ้นบางคนก็ยกตัวอย่างว่าการตีคนด่าคนไม่ดีการอ่อนน้อมมีบัญญัติดีจึงจะดีบางคนก็ยกตัวอย่างว่าการละโมกอยากได้ของเขาอื่นไม่ดีการไม่โลบถือสันโดษเป็นความดีท่านจงฟงเทระก็ได้แต่สายหน้าว่า ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปท่านอธิบายว่าถ้าเราทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเรียกว่าทำความดีแต่ถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองนั่นคือความไม่ดีถ้าเราทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นถึงแม้เราจะตีเขาก็ดีดุด่าว่ากล่าวก็ดีล้วนแต่เป็นการกระทำดีทั้งนั้นถ้าเพื่อประโยชน์ของเราเองเราจึงอ่อนน้อมต่อผู้อื่น ทำความคารวะต่อผู้อื่นนี่เป็นความดีปลอมไม่ใช่ดีจริงฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามถ้าทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้วไซเป็นความดีจริงทางนั้นถ้าเราทำเพื่อประโยชน์ของเราเองก็เป็นดีปลอมทางนั้นถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจะเป็นความดีที่ดีแท้หากยังต้องการอามิ t สินจ้างรังวั ถึงจะทำความดีความดีนั้นก็เป็นดีปลอมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีก็จะต้องพิจารณาใครครวนทุกแง่ทุกมุมเสียก่อนมีฉะนั้นการวินิจฉัยของเราก็จะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ นี้พ่อจะพูดถึงความดีข้อที่สองคือการทําความดีโดยบริสุทธิ์ใจหรือแฝงด้วยเจตนาใดๆสมัยนี้คนส่วนมากชอบคนที่บินิสัยไม่ดื้อรั้นว่าเป็นคนดีแต่นักประหลาท่านมักจะชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองเพราะคนชนิดนี้มักจะสอนง่ายแต่หาได้ยากมากคนที่ว่านอนสอนง่ายชักจูงอย่างไรก็ไปอย่างนั้น ถึงแม้ใครต่อใครพากันชมเชยว่าเป็นคนดีนักหนาก็ตามทีแต่ท่านนักปราดกลับเห็นว่าคนชนิดนี้เป็นผู้ร้ายในคุณธรรมสอนให้ดีได้ยากหาความก้าวหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีความไม่ดีชาวโลกมักเห็นตรงข้ามกับนักปราดเสมอส่วนเทวดาฟ้าดินนั้นมีความเห็นตรงกับนักปราดเสมอดังนั้นการทาความดี จึงไม่ได้อาศัยที่ตาดูหูฟังแต่ต้องเริ่มที่ใจตนเองเริ่มไตรตรองสำรวจตนเองอย่างระแวดระวังอาศัยกำลังใจของเราเองซักฟอกจิตใจให้ใสสะอาดไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นก่อนแล้วทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่แฝงไว้โดยเจตนาที่จะต้องการตอบแทนจากใครซึ่งจะเป็นความดีโดยบริสุทธิ์ หากเราทําความดีเพื่อเอาใจผู้อื่นก็ดีหวังการตอบแทนก็ดีก็ไม่ใช่ความดีที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจแล้วเป็นการเสแสร้งเพทุบายเพื่อหวังประโยชน์ตนเป็นที่ตังเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์จะถือเป็นความดีแท้ไม่ได้ส่วนความดีข้อที่สามคือการทําดีที่มีผู้รู้เห็นและไม่มีผู้รู้เห็นถ้าเราทาความดี มีคนรู้เห็นมากก็กลายเป็นความดีทางโลกไปแต่ทําแล้วไม่มีผู้รู้เห็นเหมือนการปิดทองหลังพระนี่เป็นความดีทางธรรมะความดีทางธรรมะฟ้าดินย่อมประทานผลดีให้ส่วนความดีทางโลกก็จะได้รับแต่ชื่อเสียงเกียรติยศความมั่งคั่งเป็นผลตอบแทนการมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นชาวโลกมักจะเห็นว่าเป็นผู้มีบุญวาสนา แต่ทางธรรมะแล้วเห็นว่าผู้นั้นไม่ได้ทำความดีมากพอกับการมีชื่อเสียงจึงมาจะได้รับผลไม่ดีในบ้านปลายแต่คนที่ดีได้รับการปรักปรำจนเสียชื่อเสียงนั้นลูกหลานกลับรุ่งเรืองได้ดีมีสุขเพราะผู้ที่ได้รับการปรักปรำสามารถอดทนต่อการถูกประนามหยามเยียดหวานอมขมกลืนก้มหน้ารับความขมขื่นด้วยความสงบ เป็นการสั่งสมกุศลกรรมอย่างใหญ่หลวงลูกหลานจึงมีโอกาสได้ดีเพราะฉะนั้นลูกจะต้องเห็นความสลับซับซ้อนอันล้ำลึกของการทำความดีที่ดีแท้และดีปลอมจึงจะทำความดีได้ถูกต้องความดีข้อที่สี่คือความดีที่ทำผิดหรือทาถูกในแคว้นหลู่สมัยชุนชิวนั้นมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่ง หากราษฎรในแคว้นลู่ถูกจับไปเป็นเฉลยในแคว้นอื่นหากมีคนถ่ายออกมาได้ส่งคืนแคว้นลู่ไปก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งเป็นการตอบแทนเพราะสมัยชุนชิวนั่นตางก็ตั้งตัวเป็นองกันรบราฆ่าฟันเพื่อชิงเขตแดนกันจับเฉลยศึกได้ก็นำไปเป็นข่าถาดทั้งหญิงชายแคว้นลูนะ่น่ะเป็นแคว้นเล็กๆไม่ค่อยจะมีกำลังไปสู้รบกับใครนะัก จึงมักถูกแคว้นอื่นบุกเข้ามาจับประศรดอนไปเป็นทาสเสมอใครใจบุญอยากทำความดีก็นำเงินไปไทยมาคืนเจ้าผู้ครองแคว้นหลูกก็จะได้รับเงินรางวัลทันทีต่อมาท่านจื้อกงซึ่งเป็นสิทธิเอกของท่านของจือท่านก็ไปไทยเฉลยศึกคืนมาให้แคว้นหลูกแต่ไม่ยอมรับเงินรางวัลเพราะท่านมีฐานะดีอยู่แล้วทาไปโดยม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ แต่เมื่อท่านคงจือทราบเรื่องข่าวท่านก็โกรธลูกศิษย์ของท่านมากท่านบอกว่าแคว้นลู่นั่นคนจนมากคนรวยมีน้อยต่อไปเนี่ยคงจะไม่มีใครกล้าไปท่ายเฉลยศึกอีกแล้วเพราะท่านจือก้องไปทำตัวอย่างเอาไว้เช่นนี้ก็มีแต่คนที่มีฐานะดีจึงจะกล้าเอาอย่างท่านจือก้องได้ส่วนคนที่โลภเกินรองวันก็ดีคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินนักก็ดีต่างก็ไม่ทาความดีอีกต่อไป เพราะไม่ได้เงินรางวัลจะทําไปทําไมดังนี้จึงเห็นได้ว่านักปราตนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็จะเป็นเยื่ยงองยางแก่ผู้อื่นจึงต้องระมัดระวังจะทําอะไรผิดไม่ได้คนก็จะพากันทําตามอย่างผิดๆไปด้วยความดีก็เลยเป็นความดีปลอมไปต่อมาท่านจืรุ่งซึ่งเป็นสิทธิเอกของท่านของจื้อเช่นกันอยู่มาวันหนึ่ง ท่านจือลู่ได้ช่วยคนตกน้ำไปได้ชายนั้นให้วัว ต, ตัวหนึ่งเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยชีวิตไว้ท่านจือลู่ก็รับเอาวัว น, นั้นมาท่านคงจื้อเมื่อทราบเรื่องก็ดีใจมากท่านพูดว่าต่อไปนี้แคว้นลู่ของเราจะมีคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มขึ้นอีกเพราะเมื่อทําความดีแล้วมีคนเห็นความดีและได้รับการตอบแทนทัน ท, นทีใครๆก็ อยากทำความดีเช่นนี้กันมากขึ้นแต่ในสายตาของชาวโลกแล้วจะต้องมองในทัศนะกลับกันกับท่านคงจือเป็นแน่ชาวโลกจะต้องเห็นว่าท่านจืดกงดีช่วยคนแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนท่านจือรูนั้นไม่ดีช่วยแล้วก็ไม่ปฏิเสธการตอบแทนแต่นักป ร, ราดท่านมองไกลการทำความดีที่มีคนนาไปเป็นเยี่ยงยาง ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้จึงจะเป็นความดีแท้ส่วนการทําความดีที่กลับทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปเป็นผลร้ายต่อส่วนรวมแล้วใซก็หาชื่อว่าเป็นความดีแท้ใหม่สมมุติว่ามีคนไม่ดีคนหนึ่งเที่ยวเกะกะระรานผู้คนถ้าไม่มีคนถือสาเห็นว่าการให้อภัยเป็นคุณธรรมที่ดีนี่เป็นการทาความดีที่ผิด เพราะคนพานนั้นก็ยิ่งได้ใจกล้าทำความผิดหนักยิ่งขึ้นผู้คนก็จะถูกทำร้ายหนักขึ้นคนพานนี้ก็จะต้องถูกกฎหมายลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้คนพานเหิมเกริมหาทางกำราบเสียก่อนที่จะสายเกินไปก็จะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นบางครั้งการไม่ให้อภัยคนพานช่วยกันกำราบให้กลับตัวได้ กลับจะเป็นความดีแท้ความดีข้อที่5คือการทำความดีด้วยความสุจริตหรือทุจริตแต่ก่อนนี้มีคุณนางใจเสี่ยงท่านหนึ่ง รับราชการในราชการของพระเจ้าอิงจงฮ่องเต้ฤษศกราช1 4 3 6 1 4ั9ราถึงท่านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีดางพร้อยเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปต่อมาท่านปลดกเกษียณตนเองกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมของท่านที่ชนบทประชาชนก็พากันมาเคารพท่านต่างก็เปรียบท่านดุดขุนเขาอันสูงสุดในแผ่นดินจีนคือไทซาน และเปรียบดุจ ด, ดาวเหนือที่สุกใสกว่าดาวใดๆในพิภพแต่มีชายขี้เมาคนหนึ่งมาด่าท่านซึงซึงหน้าท่านเห็นเป็นคนขี้เมาก็ไม่ถือโกรธกลับบอกคนรับใช้ว่าอย่าไปเอาเรื่องกับคนเมาเลยปิดประตูเสียเถิดต่อมาชายขี้เมาคนนี้ได้รับโทษประหารชีวิตเมื่อท่านใจเสี่ยงรู้เข้าก็เสียใจายมากรำพึงว่าถ้าเราเอาเรื่องเสียแต่แรกที่ด่าเรา จับไปทาโทษสถานเบาวสีที่อาเภอเขาก็จะไม่ต้องรับโทษประหารในวันนี้เพราะเราแท้ๆการุณาเขาผิดกาละไปทำให้เขาเหิมเกรมทำชั่วจนตัวตายนี่คือตัวอย่างของความใจดีแต่กลับทำให้ผู้อื่นได้รับผลชั่วตอบแทนส่วนการกระทำที่เห็นว่าชั่วแต่กลับเป็นผลดีนั่นก็มีตัวอย่างเช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่งบ้านเมืองเกิดทุพิกภยัย รัศฎรต่างแย่งชิงกันกินในกลางวันแสกมีเศรษฐีท่านหนึ่งจึงไปร้องต่อในายอำเภอขอให้ระงับเหตุการณ์ที่จะเกิดจราจนแต่ในายอำเภอไม่เอาเรื่องคนยากจนก็เลยได้ใจพากันยื้อแย่งกันยิ่งขึ้นเศรษฐีเห็นไม่เป็นการจึงระดมผู้คนของตนออกป ร, ราบเองเรื่องจึงสงบการกระทําของเศรษฐีท่านนี้แม้จะรุนแรงแต่ก็ทําด้วยความสุดจริตใจหวังมิให้เกิดการจราจน จึงเป็นการทำความดีแท้อีกวิธีหนึ่งความดีข้อที่6คือความดีที่กระทำขึ้นครึ่งกลางๆและทาอย่างสมบูรณ์ในคำพีเอ็กเกงได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ไม่สังสมความดีจึงมีความดีไม่พอที่จะได้รับชื่อเสียงดีผู้ที่ไม่สังสมบาปย่อมไม่รับเคราะห์กรรมถึงตายได้ในประวัติศาสตร์ ได้กล่าวถึงรัชวงศ์เซียงก่อนคริสตศักราชประมาณศตรวรรษที่16ว่าติ๋วอ๋องสั่งสมแต่บาปกรรมดุดการร้อยเงินเหรียญใบเต็มพวงจึงรักษาแผ่นดินและชีวิตของตนเองไว้ไม่ได้การสั่งสมความดีความชั่วนั้นดุดนำของบรรจุลงในภาชนะถ้าสั่งสมทุกวันก็จะเต็มเปี่ยมถ้าสั่งสมบ้างไม่สั่งสมบ้างหยุดหยุดทำทำ บุญหรือบาปนั้นก็จะพร่องอยู่เสมอไม่มีวันเต็มได้เลยแต่ก่อนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งเข้าไปในวัดเพราะอยากทาบุญแต่มีเงินเพียงสองอีแปดความจริงราคาของเงินนั้นน้อยนิดเดียวแต่ค่าของความมีใจยอยากทาบุญนั้นเหลือหลายท่านจ้าอาวาก็จึงกล่าอนุโมทนาคาถาเองให้ศีลให้พรเองต่อมาหญิงนั้นได้เข้าวังเป็นพระสนมของห้องเตะมีเงินมากมาย จึงนำเงินหลายพันตําลึงมาที่วัดนั้นอีกเพื่อทําบุญคราวนี้จะอาวาตให้พระลูกวัดกล่าวอนุโมทนาคาถาและให้ศีลให้พรแทนพระสนมเกิดความสงสัยยิ่งนักจึงถามท่านว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ายากจนมีเงินทําบุญเพียงสองอีแปะแต่ท่านมากล่าวอนุโมทนาคาถาและให้ศีลให้พรข้าพเจ้าโดยตนเองมาบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมีเงินบ้างจึงนํามาถวายหลายพันตําลึง ทำไมท่านกลับให้พระลูกวัดทำหน้าที่แทนเราท่านจะอาว่ากล่าวว่าแต่ก่อนนี้แม้ท่านจะทำบุญน้อยแต่ใจท่านนั่นเปียมไปด้วยเจตนาที่เป็นกุศลมาบัด น, นี้แม้ท่านจะมีเงินทำบุญมากแต่ใจของท่านนั่นไม่เหมือนแต่ก่อนเสียแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้อัตมาไปกล่าวเอง นี่คือตัวอย่างของการทำดีที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยราคาของเงินมาวัดความดีนั้นทำบุญด้วยเงินน้อยนิดกลับเป็นบุญที่เต็มเปี่ยมเพราะจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยกุศ ล, ลเจตนาแม้ทำบุญด้วยเงินมากมายหากจิตใจมีศรัทธาเพียงครึ่งครึ่งกลางๆ ก, การทำความดีนั้นก็จะให้ผลเพียงครึ่งครึ่งกลางๆเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งมีเซียนท่านหนึ่งชื่อว่าจงหลี ท่านเป็นชาวหั่นก่อนคริสตศักราช206ถึง220เมื่อตายได้สาเร็จเป็นเซียนผู้พิเศษเสวยสุขอยู่บนสวรรค์หลายร้อยปีจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ค, คริสตศักราช618ถึง907ท่านเซียนจงหลีก็รับลูกศิษย์ไว้คนหนึ่งมีชื่อว่าท่านลือต้องปิงต่อมาจนถึงปัจจุบันผู้คนเรียกท่านว่าลือโจ้ ท่านลือโจเป็นคุณนางรับราชการเป็นในอำเภออยู่สองครั้งเมื่อมีโอกาสพบเซียนผู้วิเศษท่านก็ได้รับถ่ายทอดวิชาต่างๆในลัทธิเตา๋ารวมทั้งการนั่งสมาธิด้วยท่านจึงลาออกจากราชการติดตามท่านเซียนผู้วิเศษไปฝึกฌานสมาธิที่ภูเขาแห่งหนึ่งจนสำเร็จได้เป็นเซียนเช่นกันต่อมาท่านจงหลีได้สอนให้ท่านลือโจรู้จักผสมยาวิเศษ เพียงแต่เอายานั้นหยดลงไปที่เหล็กเหล็กนั้นก็จะกลายเป็นทองสามารถนำไปช่วยเหลือความยากจนของผู้คนได้ท่านลือโจจึงกราบถามท่านอาจารย์ว่าเมื่อเปลี่ยนไปเป็นทองแล้วจะกลับเป็นเหล็กดังเดิมอีกไหมท่านจงหลีบอกว่าเมื่อครบห้าร้อปีแล้วก็จะกลับสภาพเดิมได้ท่านลือโจจึงปฏิเสธไม่ยอมทาเหล็กให้เป็นทอง เพราะท่านเห็นว่าเมื่อครบห้าร้อยปีแล้วก็จะทำให้ผู้คนเสียหายมากมายเพราะอยู่ๆทองในมือก็กลายเป็นเหล็กไปซยแล้วย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากมายเป็นการให้ร้ายผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมการที่ท่านจงหลีลองใจทะลือโจครั้งนี้ทำให้ท่านภูมิใจในลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะคำพูดเพียงคาเดียวก็แสดงให้เห็นความเป็น คนของท่านลือโจวว่าสูงส่งเพียงไรท่านจึงกล่าวกับสิทธรักของท่านว่าการที่จะบรรลุความเป็นเซียนนั้นจะต้องสั่งสมคุณธรรมให้ได้ถึงสามพันอย่างคำพูดของเจ้าเพียงคำเดียวก็เท่ากับได้สร้างคุณธรรมครบสามพันอย่างแล้วในพริบตาเดียวการทำความดีนั่นมเมื่อทาแล้วก็แล้วกัน อย่าได้นำมาคิดถึงบ่อยๆเราก็ว่าการทำดีนั้นชังใหญ่ยิ่งนักใครก็ทำไม่ได้เหมือนเราถ้าคิดเช่นนี้ความดีนั้นก็จะเหลือเพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าทำแล้วก็ไม่นำมาใส่ใจอีกคิดแต่จะทำอะไรต่อไปอีกจึงจะดีจึงจะเป็นความดีที่สมบูรณ์ไม่ตกไม่หล่นเช่นการให้เงินแก่คนยากจนในใจของลูกจะต้อง อย่าคิดว่าเราเป็นผู้ให้ภาย น, นอกก็อย่าไปสนใจว่าใครเป็นผู้รับแม้แต่เงินที่เราบริจาคไปแล้วก็มองไม่เห็นว่าสําคัญตรงไหนให้แล้วก็แล้วกันลืมเสียให้ได้ไม่กลับมาคิดอีกให้เสียเวลาช่นนี้เ ร, เรียกว่าทำความดีด้วยจิตว่างเปล่าเมื่อไม่ได้บรรจุอะไรไว้ที่จิตเลยจิตนั้นก็ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยกุศลผ ล, ลบุญ พลังแห่งกุศลธรรมเช่นนี้ใหญ่หลวงนักสามารถทำลายเคราะห์กรรมได้ถึงหนึ่งพครั้งเพราะฉะนั้นการทำความดีจึงมิได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเงินทองหรือวัตถุที่บริจาคแต่อยู่ที่ใจเราเท่านั้นที่จะทำจิตใจให้ว่างเปล่าจนสามารถบรรจุบุญกุศลได้เพียงใดต่างหาก ความดีข้อที่7คือความดีที่ใหญ่หรือเล็ก มีคุณนางผู้หนึ่งมีนามว่าเอเวยจงตะรับราชการอยู่ในกรมประวัติศาสตร์อยู่มาวันหนึ่งถูกจับวิญญาณไปยังโยมโลกพญายมได้สั่งให้เสเมียนในโยมโลกนําบัญชีดีชั่วของท่านเอเวยมาให้ดูปรากฏว่าบัญชีชั่วนั่นช่างมากมายกายกองวางจนเต็มห้องไปหมดส่วนบัญชีความดีนั่นเล็กนิดเดียวมีขนาดพอๆกับตะเกียบข้างหนึ่งเท่านั้นพญายมสั่งให้คนเอาตะช่างมา ปรากฏว่าบัญชีความดีนั่นแม้จะเล็กนิดเดียวแต่กลับมีน้ำหนักมากกว่าบัญชีความชั่วที่รวมกันแล้วทั้งหมดท่านเอเว่ย์มีความสงสัยเป็นอันมากจึงถามพญายมว่าข้าพเจ้ามีอายุยังไม่ถึงสี่สิบปีฉันไหนจึงมีความชั่วมากมายเช่นนี้พญายมตอบว่าเพียงแต่จิตคิดมิชอบเท่านั้นก็เป็นบาปแล้ว เช่นเห็นผู้หญิงสาวสวยก็มีจิตปฏิพัตจิตที่คิดมีชอบเช่นนี้ก็จะถูกบันทึกในบัญชีความชั่วทันทีท่านเอเวอร์ถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นในบัญชีความดีอันน้อยนิดนี้ได้บันทึกไว้ไว่าอย่างไรพญายมตอบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งห้องเตะทรงดำริจะซ่อมสะพานหินที่เมืองหเจ็ท่านเกรงว่าราษฎรจะเดือดร้อน จึงถวายความเห็นเพื่อยับยั้งพระราช ด, ดำรินั้นเสียบัญชีความดีนี้ก็คือสาเนาที่ท่านทูลกล้าถวายห้องเต้นั่นเองท่านเอเว้ยก็แย้งว่าแม้ข้าพเจ้าจะกระทำดังกล่าวจริงแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จพระองค์ทรงดาเนินการไปแล้วไม่น่านเลยที่บัญชีความดีเพียงอย่างเดียวจะมีน้ำหนักมากกว่าบัญชีความชั่วที่กองอยู่เต็มห้องนี้ พญายมจึงพูดว่าการที่ท่านมีเมตตาจิตต่อราษฎ ร, ร, รเกรงจะได้รับความลำบากกันมากมายกุศลจิตนี้ใหญ่หลวงนักถ้าหากท่านยับยั้งได้สำเร็จก็จะยิ่งเพิ่มความหนักอีกพลังแห่งกุศลกรรมนี้จะยิ่งใหญ่อีกหลายเท่านักแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้ากระทาเพื่อชนมูใหญ่แล้วไซความดีนั้นก็ใหญ่หลวงยิ่งนัก หากทำดีเพื่อตนเองแล้วไสแม้จะทำดีขนาดไหนก็เด้ผลเล็กน้อยมากลูกจงจําไว้ว่าการทำความดีไม่ว่าจะเป็นความดีมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในการทำความดีนั้ น, เ, นเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อตนเอง ข้อที่แคือความยากง่ายในการทําความดีสมัยก่อนท่านผู้คงแก่เรียนมักจะพูดว่าถ้าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ต้องเริ่มจากจุดที่คมใจได้ยากที่สุดเสียก่อนถ้าสามารถเอาชนะได้จุดอื่นๆก็ไม่สําคัญเสียแล้วย่อมจกเอาชนะได้โดยง่ายลูกศิษย์ของท่านคงจือชื่อฟานฉือได้ถามท่านอาจารย์ว่า เมตตาธรรมนั่นเป็นอย่างไรท่านองจือตอบว่าการทำสิ่งที่ยากที่สุดได้เสียก่อนจึงจะชนะใจตนเองได้เมื่อชนะใจตนเองได้แล้วความเห็นแก่ตัวก็หมดไปจึงบังเกิดเมตตาธรรมพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังลูกจะได้เข้าใจง่ายเขาที่มณฑลเจียงซีมีท่านผู้เฒ่าแซ่ชู ท่านยังชีพโดยการสอนหนังสือตามบ้านอยู่มาวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นหนี้เพราะความยากจนเมื่อไม่สามารถชาระหนี้ได้เจ้าหนี้ก็จะยึดพัญญาของชายผู้นี้ไปเป็นคนใช้ท่านผู้เฒ่าชูเกิดความสงสารสามีพัญญาคู่นี้ยิ่งนักจึงยอมเสียสละเงินที่เก็บออมไ้ได้จากการสอนหนังสือเป็นเวลาสองปีนำมาใช้หนี้แทนชายผู้นั่น ทำให้สามีพัญญาคู่นี้ไม่ต้องแยกจากกันอีกตัวอย่างหนึ่งมีชายคนหนึ่งด้วยความยากจนยิ่งนักจึงนำพัญญาละบุตรไปจำนำไว้ได้เงินมาพอประทังชีวิตเมื่อถึงกำหนดไม่มีเงินจะไปไถ่คืนพัญญาก็เดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตายบังเอิญท่านผู้เท่าจางรู้เรื่องเขามีความสงสารเป็นยิ่งนักจึงนำเงินที่เก็บสะสมมาแล้วถึงสิบปี มาใช้นี่แทนให้พ่อแม่ลูกก็จึงได้มีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งทั้งท่านผู้เท่าชูและท่านผู้เท่าจางล้วนแต่ได้กระทําในสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งเงินที่ท่านสะสมไว้คนละสองปีละสิบปีนั้นท่านก็หวังว่าเมื่อทามาหากินไม่ได้แล้วก็จะได้พึ่งเงินจานวนนี้ประทังชีวิตต่อไปเป็นเงินที่จะต้องใช้เวลาอันยาวนานสะสมไว้ วันละเล็กละน้อยแต่ท่านทั้งสองก็สามารถตัดใจช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักกันเลยแม้แต่นิดได้ในพริบตาเดียวนี่คือการทำความดีที่ยากยิ่งจริง อีกตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ชนะใจาตนเองได้คือท่านผู้เฒ่าจินท่านอายุมากแล้วยังไม่มีบุตรไว้สืบสกุลโดยความหวังดีของเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้ยกบุตรสาวของตนให้เป็นอนุพันธยาของท่านผู้เฒ่าแต่ท่านกลับไม่ยอมรับความหวังดีนี้ท่านให้เหตุผลว่าท่านนั้นชราภาพแล้วส่วนเด็กสาวนั้นอายุยังไม่ถึงสควรจะได้สามีที่มีอายุใกล้เรียกกัน ท่านจึงไม่ควรที่จะไปทําลายความสุขและอนาคตของเด็กสาวนี้เสียด้วยความเห็นแก่ตัวเพียงเพื่อจะมีบุตรไว้สืบสกุลเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งท่านผู้เฒ่าทั้งสามท่านนี้ล้วนแต่ทําในสิ่งที่ยากยิ่งจริงๆฟ้าดินจึงประทานความสุขความเจริญให้กับท่านทั้งสามทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเป็นแน่แท้ส่วนคนที่มีเงินมีอํานาจนั้น ถ้าจะกระทำความดีก็ย่อมง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีทั้งเงินและอำนาจแต่พวกนี้ก็ไม่ค่อยชอบทำความดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสทำความดีได้ง่ายเพราะมีทั้งเงินและอำนาจกลับไม่ยอมทำความดีส่วนผู้ที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจกว่าจะทำความดีได้ก็ด้วยความยากลาบากยิ่งนี่คือความแตกต่างกัน ในคุณค่าของความดีการทำความดีต่อผู้อื่นนั้นก็ต้องแล้วแต่โอกาสจังหวะเวลาก็มีความสำคัญเช่นกันการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นก็มีวิธีการมากมายประมวลแล้วก็สามารถแยกออกได้1ิบวิธีด้วยกันคือ 1. ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดี 2. รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า สสนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อม 4. ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดี 5. ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความขับขัน 6. กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 7. อย่าทําตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพ์ต้องมันบริจาค 8. ทํารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมะ 9. เคารพผู้มีอาวุโสกว่า 10. รักชีวิตผู้อื่นดุดรักชีวิตตนเองข้อหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีนั้นเป็นอย่างไรเมื่อครั้งท่านตี้ซุนยังมิได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนสมัยโบราณก่อนคริสตศักราช 2,255 ท่านไปยังหนองน้ำแห่งหนึ่งเห็นชาวบ้านกำลังจับปลากันอยู่คนที่แข็งแรงก็พากันไปยังที่ที่มีน้ำลึกปลาชุม ส่วนคนที่ไม่แข็งแรงและผู้ชาราถูกกันให้ไปจับปลายังที่ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีน้ําตื้นซึ่งปลาจะไม่ชอบมาในบริเวณนั้นทำให้จับปลาไม่ได้ท่านที่สุนเห็นดังนั้นก็บงเกิดความสงสารจับใจท่านจึงเข้าไปช่วยคนที่ไม่แข็งแรงและผู้ชาราหาปลาใครที่เห็นแก่ตัวชอบแย่งที่น้าลึกท่านก็นิ่งเสีย ไม่ไปว่าเขาใครที่ไม่เห็นแก่ตัวท่านก็จะนําพฤติกรรมของเขาไปสันเสริญจนทั่วท่านเองก็ทําตัวอย่างอันดีให้เป็นที่ปรากฏอยู่ทุกวันทุกวันจนกาลเวลาได้ผ่านไปหนึ่งปีชาวบ้านพากันสํานึกในความเห็นแก่ตัวของตนต่างก็ทําดีต่อกันและกันในที่นี้พ่อจะต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพ่อไม่สนับสนุน ในเรื่องการจับปลา ม, มาเป็นอาหารเพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งแต่ที่พ่อยกเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ก็เพื่อให้ลูกเข้าใจว่าการช่วยให้ผู้อื่นทำความดีนั้นต้องใช้ความอดทนพยายามเพียงไรท่านที่สุนนั้นเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมยิ่งนักเพียงแต่ท่านใช้คำพูดกลมกลาวจิตใจผู้คนก็จะเชื่อท่าน พราะต่างก็มีความเคารพท่านอยู่แล้วแต่ท่านอุตสาใช้เวลาถึงหนึ่งปีเต็มก็เพื่อจะให้ทุกคนกลับตัวกลับใจได้หมดและจะไม่กลับไปเป็นคนเห็นแก่ตัวอีกไม่ว่าในกรณีใดและเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยบังคับหรือขอร้องให้ทุกคนตรนักถึงความดีที่ต้องกระทาร่วมกันเพื่อความผาสุก ข, ของพวกเขาเอง พ่อจึงสันสซินในความอุตสาหะของท่านยิ่งนักพ่อและลูกต่างก็มีชีวิตอยู่ในยุคแห่งความมืดมนผู้คนไม่ค่อยมีศีลธรรมเหมือนดังยุคก่อนเพราะฉะนั้นลูกจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าได้อวดดีว่าวิเศษกว่าผู้อื่นอย่านำความสามารถของลูกไปคมผู้อื่นที่ด้อยกว่าให้เขาได้อาย จงเก็บความรู้ความสามารถของเจ้าไว้ในใจอย่าได้แสดงออกให้ปรากฏแกส่สายตาผู้อื่นใครพลาดพลัง้งล่วงเกินลูกก็จงรู้จั ก, จกให้อภัยอย่าได้แพร่พรายความไม่ดีออกไปเพื่อให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจและเมื่อไม่มีใครรู้และก็ทำให้เขาไม่กล้ากําเริบเสบสารเพราะทุกคนย่อมรักหน้ารักตา ไม่อยากเป็นคนเสียชื่อเสียงจึงไม่วิจารณ์ให้ความลับของเขาเป็นที่เปิดเผยออกไปเขาจึงไม่กล้าที่จะทำผิดอีกบางคนนั้นเมื่อมีคนรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีซะแล้วเขาก็ทำตัวเลวแหลกยิ่งขึ้นเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ก็ยอมเป็นคนชัว่วซะเลยคนเช่นนี้ก็มีให้เห็นเห็นอยู่ลูกจะต้องคอยสังเกตว่า ผู้นั้นเขามีความสามารถอะไรบ้างถ้าเป็นสิ่งที่ลูกยังไม่มีมก็จงรีบรับเอาความดีนั้นมาใส่ตนเถิดอย่าได้รีรอเลยลูกจะต้องรู้จักชมเชยสันเสริญความดีงามความสามารถของผู้อื่นให้แพร่ไพศาลไปอย่าได้มีจิตพริษยาในชีวิตประจาวันของลูกไม่ว่าจะพูดสักคำจะทำอะไรสักอย่าง จงอย่าทำเพื่อประโยชน์ตนเองต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญลูกจงจำไว้ให้ดีข้อ2รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้านั่นเป็นอย่างไรผู้ดีนั่นคือคนที่มีคุณงามความดีและกระทาแต่คุณงามความดีอย่างสม่าเสมอส่วนคนเลวนั่นบางทีก็ซ่อนอยู่ในคราบของผู้ดีปะปนกันจนบางทีก็ดูไม่ออก แต่ถ้าลูกสังเกตให้ดีแล้วก็จะเห็นความแตกต่างเรากับขาวและดําทีเดียวผู้ดีที่มีข้อแตกต่างจากคนทั่วไปนั่นคือมีน้ำใจรักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้ากันธรรมดาคนที่เราได้พบเห็นในชีวิตประจําวันนั่นบางคนเราก็เคยใกล้ชิดด้วยบางคนก็ห่างเหินกันไปบางคนสูงสักบางคนต่ำต้อยบางคนฉลาดหลักแหลม บางคนโง่เขลาเบาปัญญาบางคนมีคุณธรรมประจำใจบางคนก็ร้ายจนได้ชื่อว่าเป็นคนพานแม้ทุกคนจะมีสถานภาพและจิตใจไม่เหมือนกันแต่ทุกคนก็เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนักปราดทั้งปวงจึงไม่ชอบให้คนเกลียดกันดูถูกกันต้องรักกันเคารพกันอย่างเสมอหน้า จึงจะมีสันติสุขเกิดขึ้นได้ข้อสามสนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมนั้นอย่างไรยกนั้น ย่อมมาจากหินชนิดหนึ่งถ้าเราทิ้งขว้างไม่สนใจก็เป็นเพียงหินธรรมดาก้อนหนึ่งแม้ภายในจะมียกเรนอยู่ก็ไม่สามารถปรากฏความมีค่าของมันได้แต่ถ้ามนุษย์นำมาเจรไนเอาความเป็นหยกออกมาจากหินและสลักให้สวยงามก็จะเป็นของมีค่าสำหรับห้องเตะและขุนนางกลายเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องติดตัวไวแสดงถึงความบุญหนักสักใหญ่ ยามที่ห้องเตออกคุณนางก็ต้องมีหยกไว้แสดงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินคุณนางเข้าเฝ้าห้องเตก็จะต้องถือหยกพระราชทานไว้ในมือเพื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อห้องเตห ย, ยกยังนำมาใช้ในพิธีกรรมอื่นๆอีกมากมายลูกต้องอย่าลืมว่าหยกมีความงามและความสำคัญขึ้นมาได้เพราะฝีมือมนุษย์เองคนก็เช่นกัน ถ้ามีคนคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีคนธรรมดาธรรมดาก็จะกลายเป็นคนดีพร้อมไปได้เพราะฉะนั้นลูกจงใส่ใจในคนที่รักดีมุ่งมั่นจะเป็นคนดีลูกจงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจประครับประคองเพื่อให้เขาเป็นคนดีพร้อมให้ได้ถ้าเขาจะถูกผู้คนปรักปรำก็จงช่วยชี้แจงปกป้อง และยอมรับข้อป ร, กรักปรำนั้นว่าลูกก็มีส่วนผิดอยู่ด้วยเพื่อผอนคลายความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาจนกว่าเขาจะยืนอยู่บนขาของเขาเองได้แล้วก็นับว่าลูกได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วคนดีคนเลวนั้นมักจะคบหากันไม่ได้คนดีย่อมคบกับคนดีคนชั่วก็ชอบมั่วสุมกับคนชั่ว คนชั่วมักเกลียดชังคนดียิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วคนชั่วมีมากกว่าคนดีชอบคมเหงคคนดีอยู่เสมอจนตั้งตัวไม่ติดคนดีมักจะเป็นคนตรงและไม่กลัวตายไม่ชอบการแต่งตัวที่หรูหราไม่ชอบมีความเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือยจึงมักตกเป็นชิปปากคนชั่วที่ชอบวิาพากวิจารคนผิดๆเพราะฉะนั้น เมื่อลูกพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็จงช่วยปกป้องคนดีและช่วยชี้ทางให้คนชั่วกลับใจเป็นคนดีเสียนี่เป็นมหากุศลที่ลูกจะต้องทำให้ได้ข้อสชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดีนั่นอย่างไรเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีศีลธรรมประจำใจยอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้าง ที่จะไม่มีเลยนั่นคงหายยากนอกจากมนุษย์จะมัวสารวนอยู่กับการสแสวงหาลาบยศเงินทองชื่อเสียงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมทำให้ต้องตกอยู่ในความหายยะนะถ้าลูกพบคนช่นนี้ลูกจงพยายามช่วยเขาชุดเขาให้พ้นจากความหายานะนให้จงได้ดุดคนฝันร้ายลูกปลุกเขาให้ตื่นจากความฝัน ให้ความรู้ความคิดที่ดีงามแก่เข า, ข า, ขาเขาก็จะตื่นจากฝันร้ายกลายเป็นคนดีได้เมื่อครั้งราชวงศ์ถังริศักราช618ถึง907มีขุนนางท่านหนึ่งท่านเขียนหนังสือสอนใจคนได้ดีมากเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีนชาวจีนมีความเคารพนับถือท่านมาก เมื่อท่านถึงแก่อานิจกรรมยังได้รับเกียรติยศอันสูงส่งได้รับการสถาปนาจากห้องเต้ให้เป็นที่เอวินเป็นการเชิดชูผลงานอันมีทั้งร้อยแก่ร้อยกรองที่เยี่ยมยอดนั่นเองชาบ้านพากันเรียกท่านว่าหันเอวินกงท่านเคยกล่าวไว้ว่าการตักเตือนผู้อื่นด้วยคําพูดนั้นไม่ช้าก็จะถูกลืมเลือนไป ผู้อยู่ไกลก็ไม่สามารถได้ยินคําเตือนนั้นได้หากบันทึกไว้เป็นหนังสือแม้สักร้อยชั่วคนคําสอนนั้นก็คงอยู่สามารถแพร่ไปไกลกว่าพันลี้หมื่นลี้ซะอีกข้อที่หนึ่งพอได้ยกตัวอย่างให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการทาตนเป็นเยี่องอยงยางแก่ผู้อื่นนานวันเข้าก็จะมีคนตามอย่างโดยไม่รู้ตัว ส่วนข้อนี้พ่อยกตัวอย่างให้ใช้คาพูดใช้นังสือเป็นตัวอย่างลูกก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมมิฉะนั้นก็จะไม่ไดีผลเลยดุจ ด, ดังคนป่วยถ้าได้ยาตรงกับโรคก็จะหายวันหายคืนเหมือนคนที่มีนิสัยแข็งกระด้างถ้าเราใช้คำพูดตักเตือนเขาจะไม่เชื่อโดยง่ายพูดไปก็เสียเวลาเปล่าถ้าเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน การตักเตือนด้วยคำพูดมักจะได้ผลลูกไม่ควรพลาดโอกาสอันดีนี้เสียทางนี้ขึ้นอยู่กับลูกต้องดูคนเป็นต้องอ่านนิสัยได้ถูกต้องแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าคนเช่นไรสมควรตักเตือนด้วยคำพูดคนเช่นไรสมควรให้เขาอ่านหนังสือเพื่อแก้ไขตัวเขาเอง พอที่ห้าจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขันได้อย่างไรเคราะกรรมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่ากับใครๆหากลูกพบเห็นคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากลูกจะต้องเข้าช่วยเหลือให้ทันท่วงทีและจะต้องช่วยแก้ไขสถานการณ์ด้วยสติปัญญาของลูกอย่างรอบคอบเพื่อมิให้การช่วยนั้นไม่ประสบความสำเร็จท่านชุยจือซึ่งเป็นขุนนางในราชวงศ์หมิง ในปลายสมัยพระเจ้าเสี่ยจงฮ่องเต้คริสตศักราช1488ถึง1505ท่านกล่าวไว้ว่าการช่วยเหลือนั้นไม่ควรคำนึงว่าจะได้บุญได้คุณสักเพียงไรขอให้ช่วยให้ได้ทันท่วงทีจึงจะควรช่างเป็นคำพูดที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาการุณสนิคอะไรข้อที่ห กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรไม่ว่าลูกจะอยู่ในชนบทเล็ ก, ลกๆหรือวันในเมืองใหญ่ๆ ห, หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขของส่วนรวมแล้วลูกจะต้องไม่ท้อถอยในการเป็นอาสาสมัครเช่นขุดคูส่งน้ำเพื่อไว้ใช้ในยามหน้าแรงหรือสร้างทำนบเพื่อป้องกันน้าท่วมหรือซ่อมสะพานที่ชารุดเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือให้ทานอาหารแก่คนอดอยากหรือให้น้าแก่คนกระหายแล้วลูกก็ควรชักชวนชาวบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจกันกระทำความดีร่วมกันใครมีเงินก็ออกเงินใครมีแรงก็ออกแรงพนึกกำลังให้เข้มแข็งจะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นหากใครมาว่าร้ายลูกก็จงอย่าใส่ใจถ้าเราทาดีโดยสุจริตแล้วใครๆก็ยอม เข้าใจและช่วยปกป้องลูกเสียอีกลูกจงอย่าท้อถอยไม่ว่าจะประสบอุปสรรคใดๆก็อย่าได้วางมือเป็นอันขาดข้อเจ็ดอย่าทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ให้มันบริจาคอย่างไรคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําให้รู้จักให้ทานซะก่อนการให้คือการเสียสละท่านที่บรรลุธรรมะแล้วท่านเสียสละได้หมดทั้งอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรส ปทพระและธรรมารมณ์ก็สิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตท่านยังเสียสละได้เรื่องทรัพย์สินเงินทองของนอกกายฉันไหนจกเสียสละไม่ได้ถ้าเราสามารถเสียสละได้ทุกอย่างเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีได้แบกภาระอันใดไว้ทำให้จิตใจปลอดปโปรง่งไม่ห่วงหน้ากังบนหลัง ใครทำของเราเสียใครขโมยของเราไปก็ไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเราเสียสละได้หมดจริงๆผู้ที่ไม่สามารถเสียสละได้ทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นโดยการให้ทานบริจาคทรัพย์เสียก่อนคนในโลกนี้เห็นว่าปัจจัยสี่นั้นเป็นสิ่งสาคัญของชีวิตและเงินเท่านั้นที่จะบรรดาลให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เพราะฉะนั้น คนส่วนมากจึงให้ความสําคัญแก่งเงินเท่าชีวิตหาได้คิดสักนิดไม่ว่าหากยังมีลมหายใจก็ดีอยู่รอกถ้าหมดลมเมื่อใดมีใครเคยเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างผู้ที่รักเงินยิ่งชีวิตจึงควรฝึกตนเองให้รู้จักการบริจาคทรัพย์ให้ทานเสียบ้างไม่ใหม่ก็จะเกิดความเสียดายเพราะคนรักเงินยิ่งชีวิต มักเป็นคนตรนีใจคอคับแคบแต่ถ้ามันบริจาคก็จะเกิดเป็นนิสัยอันดีงามขึ้นสามารถบริจาคได้มากขึ้นและไม่นึกเสียดายดังแต่แรกข้อที่8ปดทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมได้อย่างไรธรรมะคือประทีปที่สองวิถีทางแห่งชีวิตเมื่อหนทางข้างหน้าสว่างสวยัย ชีวิตย่อมดำเนินไปตามทิศทางอันถูกต้องดุจดังคนที่มีในตาดีย่อมสามารถเลือกทางเดินที่สะดวกที่สุดและดีที่สุดได้โบราณท่านจึงว่าธรรมะคือการทำรงไว้ซึ่งฟ้าดินและมนุษย์ให้เกิดความสมดุลผสมผสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะขาดไปแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มิได้ต้องเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดสรรพสิ่งด้วยธรรมะธรรมะทาให้ชีวิตหลุดพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์มีอิสระเสรีที่จะอยู่ในโลกต่อไปก็ได้จะไปให้พ้นโลกเสียก็ได้ฉะนั้นเมื่อลูกเห็นศาลที่บูชานักปราราชาบัณดิตหรือคำพีโบราณที่เป็นธรรมะอันสูงส่งลูกจะต้องถนอมด้วยความเคารพหากมีขาดตกบกพร่องลูกจะต้องซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปลูกจะต้องเผยแผ่ธรรมะทำรงไว้ซึ่งธรรมะปฏิบัติตนด้วยธรรมะสอนให้ผู้อื่นรู้จักธรรมะจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกที่รู้ซึ้งในพระคุณพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าลูกทำได้เช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้พระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริงและได้ถวายความกตัญญูกเตเวทีแด่พระองค์อย่างถูกต้องแล้วข้อเาเคารพผู้มีอาวุโสอย่างไร ในครอบครัวย่อมมีบิดามารดาพี่ชายพี่สาวที่มีอาวุโสกว่าเราเราต้องเคารพรักรู้จักปรนนิบัติเอาใจใส่ดูแลทุกสุขให้ความสุขความสาราญแก่ท่านให้ความสนิทสนมกลมเกลียวยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันพูดจากันด้วยวาจาอันเพลอ์นานไปก็จะเป็นผู้มีนิสัยอันดีงาม ในประเทศย่อมมีห้องเต้เป็นประมุขที่เราจะต้องแสดงความจงรักภักดีรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษากฎหมายยิ่งกว่าชีวิตของลูกเองอย่าอวดดีทำผิดโดยคิดว่าพระองค์จะไม่ทรงทราบการลงโทษคนโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายก็ย่ำเมาอำนาจจนตัดสินโทษ ด, ด้วยอารมณ์ อย่านึกว่าพระองค์ไม่ทรงทราบก็ทำไปได้วยความลําพองใจโบราณท่านว่าการรับใช้ห้องเตก็คือการรับใช้สวรรค์สวรรค์ย่อมประทานความเจริญความสุขสมบูรณ์ให้ถ้าลูกทำดีพอ